เอาละบอสไปเดี lo, lo ๋ยวรอรอคนสักแป๊บนึงลมนี้ มาแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลก์กดกดแชร์ไปไหนนะเป็นธรรมทานโอ้กสีว่าวพ่อมีหัดแดงสีว่าเฮี่หนีมิตรคูณังแล้วพ่ี่ผู้ฟังเนาะไม่อล่างเราเน้่ แต่ใจว่านี่จะคุนนันก็มีผู้ฟังไม่มีอะไรมาต้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย เน้นฟังทำเน้นเน้นฟังเป็นเป็นหลักไม่ปฏิบัติเลย <c oughs> <c oughs> ฟังอ่าตั้งแต่ช่วงน่าจะห้าหกปีแล้ว 5-6 ห้าหกปีถ้าเทียบกับเปอร์เซนการแค่นั่งสมาธินะเนี่ยนะอย่าพูดถึงอาณาปณสาาติเลยเราไม่รู้จักเลย พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยไม่รู้จักส่วนใหญ่ก็ฟังธรรมพอฟังก็จะฟังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านทั้งเป็นธรรมปฏิบัติบ้างธรรมที่เป็นอภินิหารบ้างแต่ส่วนใหญ่ชอบเรื่องอภินิหารอชอบฟัง <c oughs> เรื่องอภินิหารชอบทำไมจิตมันถึง มันถึงค่อนข้างชอบเรื่องพวกนั้นในตอนที่เรยังไม่ได้เป็นคนเป็นของสิ่งที่ไม่เป็นมนุษย์ปกติไม่เป็นกันถามใครส่วนใหญ่จะชอบตัวนี้เออก็ไม่เรื่องแปลกไงเรื่องเรื่องที่เราไม่รู้จักเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องจินตนาการเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์ล้วก็ชอบเพราะเพราะคนเราถีงจะกลับมาเป็นความเป็นปกตินี่ยาก การที่จะเข้าถึงความเป็นปกติของชีวิตนี่ยากมากเรามักจะชอบสิ่งที่เหนือชีวิตเหนือความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเพื่อใช้เพื่อเรียนรู้ชีวิตเพื่อรู้จักชีวิตเพื่อยอมรับชีวิตนี่นี่คือธรรมของพรพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อ เป็นเครื่องออกจากทุกเห็นไหมเป็นไปเพื่อดับทุกแต่ว่าเรามากักจะสนใจแต่พวกฟิลิสีกันนั่น <c oughs> ชอบเรื่องอภินิหารเนี่ย <c oughs> ซึ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้พ้นทุกเลยไม่เป็นไปเพื่อออกจากทุกแต่เป็นไปเพื่อเสริมความทุก <c oughs> เพิ่มความสงสัย <c oughs> ใรจะู้้ทํานีถ้าจะพูดถึงอธิญฐารแบบรู้แบบเขาเรียกว่ายันคุณพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าคุณพิเศษเนั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดพ้นทุกถูกไหมคุณพิเศษต่างๆไม่ได้พาเราออกจากทุกนั่นม่นใช่คุณพิเศษแต่สิ่งที่สศษคือเขาเรียกว่าสิ่งที่พาเราพ้นออกจากความทุกข์ได้เท่านั้น รู้ใจคนอื่นแล้วยังไงรู้สึกเน่อรู้ใจคนอื่นแล้วก็สำคัญตรงว่าเมืียวเขาเียเป็นไปเพื่อเพิ่มตัวตนเห็นนั่นเห็นนี่ยิ่งเห็นยิ่งสงสัยไม่ได้หายสงสัยเลยนะถ้าพูดถึงภาวนาแล้วประเภทนิดๆนี่คุบานี่ โลดโถนมแม่เราก็ว่าเราคนนึงนี่แหละจนสามารถไอความคิดที่ผุดมาเป็นตัวต่อหน้าได้เนี่ยมินิดน่งเราเราก็ว่าเราคนนึงเนี่ยที่เป็นประเทศมิมิตดแต่เรายิ่งเห็นมิมิดยิ่งยิ่งมีมินิดมากเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ความสงสัยสงสัยเป็นอย่างมากเลยของพวกนี้ เรกว่าไอ้ของพวกนี้ไม่ใช่ของที่จะพาเราพ้นออกจากความทุกข์ได้จริงๆถ้าเราเห็นอย่างนั้นนะคนที่ภาวนาแล้วไม่มีนิมิตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากแต่คนไม่มีนิมิตกลับอยากไ ด, ด้นิมิตแน่เห็นไหมทั้งที่นิมิตนั้นไม่ใช่ของสงุมันเหมือนกั บ, บเราหลับแล้วเราฝันเข้าใจไหมเราหลับแล้วเราฝันเราเหนื่อยไหม แต่คนหลับไม่ฝันเป็นยังไงเดชื่นไหมเนี่ยเปรียบเทียบไมง่ายเราภาวนาขนของการเจริญสติขนของการเจริญสตินี่เป็นไปเพื่อจิตตั้งมั่นเราอาศัยล ม, มที่เรียกว่าจิต เอามาอาศัยลมหายใจแ ล, ล้วรู้ที่เรียกว่าสติเข้าใจไหมแยกไม่ได้นะจิตกับสติคืออันเดียวกันความคิดกับจิตก็คืออันเดียวกันมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันอยู่ในวงเดียวกันที่เรียกว่านามฝั่งของน้มเนี่ย แยกออกมามีสัญญาสังขารวิญญาณมีสี่ขันเรียกรวมกันว่าจิตแต่เรียกแยกเฉยๆสี่ขันแต่อยู่ในวงของจิตเห็นไหมสภาวะที่เกิดเป็นภาพ <c oughs> เป็นเสียงเป็นสัญญาความจำเนี่ยเรียกว่าความคิดสภาวะ สงบหรือไม่สงบนี่ก็เรียกว่าสงบหรือไม่สงบเรียกวเวทนาเห็นไหมล้วนจะอยู่ในจิตเห็นไหมเวลาไม่สงบมันจะเกิดสงบไม่ได้เวลามันคิดมันจะเกิดไม่คิดไม่ได้มันจะเกิดได้ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแต่อยู่ในวงของจิตเห็นไหมมันเรียกต่างกัน เียกการสภาวะเหมือนมะม่วงเนี่ยดอกมะม่วงลักษณะนี้เรียกว่าดอกมะม่วงพอเป็นลูกมะม่วงลูกเล็กลักษณะนี้เรียกว่ามะม่วงเล็กพอโตมาหน่อยเรียกว่ามะม่วงมะม่วงใหญ่มะม่วงแก่ก็เรียกว่ามะม่วงสุกตามสภาวะของรูกมะม่วงนั้นล้วนแต่อยู่ในมะม่วงลูกเดียวกันเข้าใจไหมนี่แหละนี่แหละจิตนี้ก็เหมือนกัน สภาพว่าที่ละเอียดที่สุดของจิตนี่ที่เรียกว่าผู้รู้หรื อ, อเรียกว่ารู้ถ้าจะแยกให้เห็นภาพก็เนี้ยรู้ยังไม่ต่ออะไรที่คือของเดิมของที่มีอาการคือรู้รู้แสงแอะเห็นไห ม, ม รู้แสงรู้ความคิดเข้าใจัไหมื้อนจะออกจากรู้มีรู้อยู่ทุกอย่างรู้เจ็ดรู้จงบเข้าใจหัหย เ, เ, เนี่ยไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยธรรมชาติเดิมมันคือรู้แต่พอมีอาการต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บมันจะเข้าไปเป็นแสงสว่างมันไม่ดูแสงสว่างเฉยๆมันจะเข้าไปเต็มเลย เพราะผู้รู้เนี่ยยังไม่มีกําลังผู้รู้จะมีกําลังก็ต่อเมื่อไอเ้เจ้เนี้ยถูกฝึกถูกกําจับด้วยสติเหมือนเหมือนนักกีฬาตอเ น, นี้เราเหมือนนักกีฬานักกีฬาที่ยังไม่แข็งแรงเน่ยที่ยังวิ่งไม่เก่งยังไม่มีกําลังมันก็ต้องค่อยวิ่งไป แต่พอวิ่งเก่งแล้วเนี่ยมันง่ายทีนี้เราอาศัยการวิ่งเพื่อพัฒนากําลังของนักกีฬาเข้าใจไหมพอวิ่งะสะสมไปเรื่อยกําลังมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร, ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่จิตนี้เราอาศัยอะไรเป็นกําลังของจิตร่างกายนี่อาศัยการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาถูกไหมคนที่เคลื่อนไหวมากมีกําลังมาก เหมือนนักกีฬาเนี่ยยิ่งออกกําลังมากเท่าไหร่ยิ่งแข็งแรงแต่จิตเนี่ยยิ่งนิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีกําลังมากเท่านั้นคือความสงบมันจะต่างกันตรนี้มันจะลับเปน็นนี้ร่างกายต้องอาศัยการเคลื่อนไหวแต่จิตต้องอาศัยความนิง่งถึงจะมีกําลังคนที่เข้าถึงจังภาวะความสงบได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีกําลังมาก พอมีกําลังมากและทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเขรียกจิตเป็นสมาธิจิตมีบ้านนะไอ้ตัวจิตเป็นสมาธิานี่เหมือน ม, นมีมันมีที่อยู่มันไม่ไม่ไหลคือมันหนักแน่นผู้รู้นั้นมีกําลังมากหนักแน่นจึงไม่เข้าปเด่นอาการต่างๆพอแสงตาต่อขึ้นจึงสับแต่ว่าเห็นแสงเท่านั้นรู้แสงเท่านั้นความคิดขุดขึ้น จินสัจจะว่านั่นความคิดเท่านั้นจะเป็นผู้ดูจะไม่ใช่เป็นแค่เต็นแล้วนี่สภาวะที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความทีเห็นปะเข้าใจไหมทุกคนงี้อันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้และอันเนี้ยคือรู้เป็นผู้รู้อย่างนี้จะจะเฝ้าสังเกตอาจารต่างๆอื่เห็นไหม ือนลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเราไม่ไม่ได้ภาวนาเอาลมหายใจนะแต่เราอาศัยลมหายใจเพื่อพัฒนาผู้รู้นี่คือสิ่งสําคัญเราอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องออกกาลังกายมันเพื่อพัฒนาผู้รู้นั้นให้เด่นขึ้นพอผู้รู้นั้นมีกําลังมากทีนี้ พอผู้รู้มีกำลังมากเข้ามากเข้ามากเข้าลมหายใจมันก็จะเห็นสภาวะหลังาจที่มันเกิดขึ้นมันจะเห็นหมดเลยมันจะเห็นสภาวะที่มันสงบหรือไม่สงบเห็นความคิดผุดขึ้นเห็นความคิดดับลงไปเมื่อก่อนนี่ครับมันไม่เห็นความคิดผุดเลยแม่เมื่อก่อนนี่มันจะไปรู้อีกทีหนึ่งคือมันคิดไปตั้งนานแล้วไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้ว เข้า<ก>ใจ <trains> ไหมคือว่าไ ป, ไ ป, ไปรู้ทันในที่นี้คือว่าโอ้โหมาถึงนี่ตั้งใจเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไหมคือจะไม่เห็นตอนมันเคลื่อนออกไปเลยจะไม่ทำมันเลยตอนที่มันเคลื่อนออกไปแต่ถ้าเราฝึกมากๆเข้าฝึกก็มากเข้าคือไปเห็นมันอย่างนั้นแล้วตามมันกลับมาเล ย, เลยตามมันกลับมาตามมันกลับมาพอรู้ปุ๊บรู้ทำทุบกลับรู้ทนปุ๊บกลับอยู่ที่ลมฝึกอย่างนี้ซ้าๆซากๆจิต จ, จะมีกําลังพอมันจะมันจะส่งออกไปจิตมันจะเห็นทันทีเลย แล้วมันจะไม่ไปเหมือนคนก็เราจะจับสุ๊บนีมันมันรู้แล้วมันจะไม่จับมันจะถกกำับขึ้นมาอาการของจิตที่เข้าไปจับก็เป็นเหมือนกัจิตนี้จะเข้าไปยึดในสิ่งนี้ปุ๊บมันจะเห็นก่อนแล้วมันจะถูกกํากับด้วยสติดึงกลับมาพัดพูดง่ายคือจิตที่มันมันไหลไปปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ถึงกต่จะสภาวะนั้นจิตตัวนั้นถูกเปลี่ยนด้วยสตินั่นเอ เนี่ยที่มันฝุดสติไปดีแล้วมันจะถูกเปอียนสติพุบพอจิตเป็นสติปุ๊บมันจะกลับมาที่ฐานเห็นไหนี่เป็นอย่างนั้นจนกว่าคำว่าจิตเป็นเนี้ยจะกลายเป็นสติทีนี้คำว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ย รวมเป็นอันเดียวกันคือเป็นรวมเข้ามาเป็นจิตเนี่ยศีล <Okay. S 1> ส, สมาธิปัญญา <Okay. S 1> พูดได้ง่ายคือจิตก็ไม่ใช่แล้วจิตจะเปลี่ยนสภาวะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา <Okay. S 1> ถ้าสามสิ่งนี้รวมกันเมื่อไหร่ปุ๊บคำว่าจิตไม่มีจะเป็นอยู่ด้วยสติและปัญญาเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าปัญญาสูงสุดคำว่าพุทธะเกิดขึ้นเหมือน ที่เรียกว่าจิตเสี่ยมหือว่าไม่มีจิตหรืออะไรก็ช่างจะต้องผ่านการอบรมมาอย่างนั้นทั้งหมดคือต้องผ่านการอบรมจเจริญสติ<ม>โดยอาศัยลมหายใจบ้างอาศัยกายเป็นเช่นนั้นนรู้รู้บ้างสติประธานสีอะไรก็ช่าง<ม>ที่มันจะสามารถพัฒนาเพื่อรู้นี้ขึ้นมาได้บางคนก็อาศัยรูปประคำ แต่ถ้ามันมีรูกวราคำจะทำไงล่ะเห็นไหมยากบังคนก็อาศัยไฟถ้าไมนมีที่จุดไฟไ ห, หรือไปนั่งที่ลมลมที่ลมแรงจุดไฟไม่ติดทำไงอ่ะยากแต่ลมหายใจมง่ายที่สุด <Yeah. S 1> เป็นอาวุธที่เรามีอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นกรรมฐานทันเลิกที่สุดคือลมหายใจจะไปไหนก็พกไปเรื่อย ไห่ไม่ต้องตากเรียมอะไรทั้งนั้นลมหายใจจึงเป็นเครื่องกระเริญสติที่ดีที่สุดเจะเริญสติไปทำไ ม, เ, ไมเมื่อสติมีกำลังเราจะรู้เท่าทันความคิดเราจะเห็นความคิดรู้เท่าทันความคิดสติรูคค้ความคิดความคิดดีความคิดชั่วแล้วก็จะรู้ ที่เียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นผิดนั่นแหละความคิดถูกความคิดผิดจะเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเราจะต้องเป็นความคิดที่ถูกแลก้วเราจะไม่รังเกียจความคิดที่ผิดเห็นหถ้าเรายึดถูกเมื่อไหร่คนที่พูดต่างนจะเราผิดทันทีนนจึงได้ทะเลาะ ก, กัน ถ, กถึงทุกวันนี้แต่คนที่จเจริญสติเป็นจิตนั่เป็ น, ปนสติเป็นผู้ <S <S ดูเฉย ความคิดที่มันดีก็เห็นแต่จะว่าดีเทนะ้ความคิดที่มันไม่ดีก็เห็นแต่จะว่ามันไม่ดีจะเห็นของตัวเองเท่านั้นจะไม่เห็นของคนอื่นทีนี้ะติมีกําลังมากขึ้นจะเห็นอารมณ์จะเห็นอารมณ์เกิดเห็นอารมณ์เกิดเห็นความคิดเกิดเห็นความคิดเกิดเห็นอารมณ์เกิดแล้วจะเห็นว่า เพราะสติเผลอจึงเกิดอารมณ์เห็นไหมเราคิดว่าเราสติเรา ล, ละเอียดแล้วนะแต่ความจริงแล้วมันเผลอแล้วจิตเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้แต่ถ้ามันไม่เผลอล่ะไม่มีทางอารมณ์เกิดขึ้นในจิตเท่านั้นไม่เกิดที่อื่นคือมันเกิดอยู่ข้างในนี้ มันไม่ได้เกิดกับต้นไม้ไม่ได้เกิดกับบุคคลนั้นไม่ได้เกิดกับคนนี้มันเกิดอยู่ข้างในนี่อารมณ์เนี่ยเรารู้เป็นปัจจตังอเราเองเ้าใคว่าปัจจตังไหมไม่ใช่ใช้กับการบรรลุธรรมนะคำว่าปัจจตังเนี่ยปัจจตังคือสิ่งที่เรารู้ในตัวเราร้อนเรารู้เองปัจจิตัง ร, ร, ร้อนมากร้อนออจจอ น, น, อ น, น้อยเราก็รู้คนอื่นไม่รู้ ้เรารู้เองในใจเราเนี่ยเนี่ยคาว่าปัจจตังเก็บเรารู้เองในใจเราเนี่ยคำว่าปัจจตังสะพาว่าต่งางๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละที่เรารู้นั่นนั่นคือปัจจตังไม่ได้ใช้กับการบรรลุธรรมอย่างเดียวแต่สิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นที่เรียกว่าปัจจตังก็จะเข้าว่าปัจจตังไหม เนี่ยปร จ, จะตังไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นเร จ, จะตังน่ยรู้เรานี่เร จ, จะตังทุกเนี่ยเจาจะตังแน่นอนเนี่ยพอเรารู้ว่ามันทุกเราต้องเห็นว่ามันทุกเพราะอะไรความทุกประเพียรของตายเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง มันเป็นเป็นเป็นเพียงเวทนาของกายไม่ใช่ความทุกข์เวทนาของกายนี่แก่ง่ายหิวก็กินเห็น่วงก็นอนทุกกายเนี่นอนหลับก็ก็หายแล้วทุกกายเนี่ยแค่เรานอนหลับนีก็หายแล้วได้นอนพักผ่อนสักหน่อยนึงก็หายแล้ว แต่ทุกใจเนี่ยนอนก็ไม่หลับเห็นไหมสิ่งไหแล้วสำคัญที่สุดตัวข้างในนี่ตัวใจเนี่ยตัวน้ำเนี่ยตัวน้ำมาทำนี่หลยตัวในข้างในนี่แหละไอ้ตัวที่มันขับเคลื่อนร่างกายอยู่เนี่ยตัวเนี่ยจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ค่าให้ความสำคัญที่สุด เราอบลมเราไม่ได้อบลมกายนะเราอบลมไอ้ข้างในกายนี่ดูแลมันขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นไปตามสภาพของมั น, น, นเหมือนรถยนต์ไม่ต่างจากรถยนตนะ์เลยคนไหนมันดูแลมันเช็คเครื่องมันทําความสะอาดมันก็ใหม่อยู่แต่ถึงจะใหม่แค่ไหนเดี๋ยวมันก็พัง mm. เดี๋ยวมันก็พังนั่นเป็นเรื่องของกายแต่อีข้างในเนี่ยไอ้คนขับเนี่ย ไหมถ้าคนขับมันไม่ดีเมื่อไหร่นะมันชนตึมเลยถ้าคนขับมันไม่ดีากายที่ก็ตายได้ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าคนขับดีเนี่ยมันจะคอยดูแลทุกอย่างเห็นไหมทุกกายจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทุกใจเนี่ยหนักหน่วงมากความทุกใจมัาจากไหนพอใจกับไม่พอใจเท่านั้นแหละถูกไหม พอใจก็เรียกว่าสุขไม่พอใจก็เรียกว่าทุกข์นไแล้วไอ้ความพอใจกับความไม่พอใจนี่มาจากไหนอ่ะฮะไอ้วความพอใจกับความไม่พอใจมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ ยึดดีมันก็พอใจยึดไม่ดีมันก็ไม่พอใจเกิดจากความคิดฟุ้งแต่งนั่นแหละเกิดจากความคิดนี่ยยกตัวอย่างยังแต่งลูกนึงเนี่ยแปลงกวางตาเห็นแต่งกวางลูกเดียวเนี่ย แต่คนนี่คิดไม่เหมือนกันทักอย่างบางคนก็หึแตงก้านี่ตําตําแตงไข่ต้มน่าจะอร่อยใช่ไหมแต่บางคนนี่โอแตงใหญ่ดีไว้เห็นไหมถ้าเป็นผู้หญิงอาจะคิดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยแตงลูกเดียวกันแต่ทําไมมันคิดไม่เหมือนกัน มันไม่เห็นแต่แตงมันไม่ได้เห็นแตงเพราะนั้นจบที่แตงมันไม่มีมันมักคิดต่อนี่เขาเรียกว่าปรุงแต่งเข้าใจไหมถ้ามันจบแค่แค่แตงอันเดียวนีะ่ะมันจบแล้วเออแตงจบ <c oughs> รู้แค่ว่าแตงนั่นแหละจบแล้วไม่ให้มันใหญ่ไม่ให้มันเล็กหรือไม่ให้มันไปตําเป็นอะไรก็ตำ จะไปตำใสโคกหรือตำใสอะไรก็ไม่ให้มันเป็นเท่านั้นนี่คือเรื่องของแตงเคย <c oughs> <c oughs> เคยพูดกับแม่ชีบ่อยๆเวลาปอกแตงมันมักยกแตงกวามาโชวกกันเคยพูดกับแม่ชีบ่อยๆมันมาจากไหนล่ะ <c oughs> มาจากสัญญาที่มันเคยจำได้นั่นไหมมันไม่จำไม่เคยเลยจี <c oughs> อย่างวันนั้นน่ะปันที่อยู่ศาลาเนี่ยเรา แ, แค่พูดถึงถ้า น, นมผาเฉยๆน่ะครูบาจะจับได้หรอเห็นปะเนี่ยเรแค่พูดถึงแค่ถ้ํา น, นมผาเฉยๆก็จะก็จะว่าเราจับแล้ ว, ลวมันฟังเฉยไม่ได้มันจะคิดต่อคาดคะเมต่อนี่ยเขาเรียกว่าปรุงแต่งเห็นไเฉยไม่ได้หรอพราะเราไม่เคยรู้จักมันเลยความคิดเนี่ย พอเรายึดว่ามันดีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสำคัญว่าเราความคิดเราแบบนี้เราถูกต้องแล้วเรามีเหตุผล น, นี้ถูกต้องแล้วเห็นไหมแล้วเราก็เชื่อในความคิดตัวเองเชื่อในเหตุผลตัวเองว่าถูกคนที่ต่างจากเราคนที่เชื่อต่างจากเราพิษเหมือนเราเชื่อว่าศาสนาพุทธอย่างเงี้ยถูกต้องศาสนาอื่นที่พุทธที่ทำํำตรงข้ามศาสนาพุทธ เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยนี่แหละเขาเรียกว่ายึดดีก็ยึดมันไม่รู้จักว่าดีเฉยแต่มันยึดดีก็ยัีร้อยแล้วเหมือนคนไปรักษาศีลอะไรเงี้ยเอายกตัวอย่าง คนที่ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลเนี่ยพอกลับบ้านมาก็อยากให้คนที่อยู่บ้านไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลพยามาบอกคนที่อยู่บ้านเนี่ยเยอะมากคนในสังคมไทยเป็นอย่างนี้เยอะมากมาพยามาบอกมาสอนคนที่อยู่บ้านว่าให้ไปรักษาศีลให้ไปปฏิบัติธรรมทาไมแม่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยทําไมแม่มีความเห็นอย่างนั้นแม่ความมีความเห็นอย่างนี้ เอาธรรมะมาข้นใจกันกลายเป็นความเล่ า, าร้อนตัวเองก็ร้อนใจเพราะว่าอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นคนฟังก็เล่ า, าร้อนใจเพราะคนฟังไม่พร้อมที่จะฟังเข้าใจไหมนี่เลยพราะยึดแล้วไงว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันดีแต่เราไม่เคยเอามาสอนแต่เราคนเดียวไงเราไม่เคยเอามาสอนเราคนเดียวเราไปสอนคนอื่นปัญหามันอยู่ตรงนี้ เราอยากให้คนอื่นดีกูบาเขาถามหน่อยว่าเราจะสามารถห้ามพระอาทิตย์ขึ้นได้ไหมแล้วก็ห้ามพระอาทิตย์ตกได้ไหมแล้วห้ามฝนฝนตกได้ไหมแล้วห้ามฝนหยุดตกได้ไหมทําไมเราอยากไปแก้ทั้งนอกทําไมเราไม่แก้เราแก้เราคนเดียวฝนตกปุ๊บไม่อยากเบียร์เข้า่มจบง่ายไหมฮะ เยกตัวอย่างให้ฟังมีคนสองคนเนี่ยเลี้ยงควายเขาจะพาควายไปกินน้ําแต่คนแรกเนี่ยจูงควายมาจะพาควายมากินน้ำํำพอจูงควายมาถึงบ่ อ, บอน้ําเสร็จปุ๊บอยากให้ควายกินน้ํนาจึงพยายามบังเข้าควายเอากินกิน ทำไมไม่กินวะเนีย่ย้ามากินแล้วเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้พยายามตะล่อบุควายให้มันกินน้าทั้งเขยมทั้งตีทั้งสุดกระชากมันเห็นบางคับงมันเข้าบางคั้เข้ า, ขาขดีไม่ดีมันจะขิดเอานะควายนะั่อีกคนหนึ่งจูงควายมาบ่อน้ำเหมือนกันพอมาถึงบ่อน้าเสร็จกก็เหน่อยู่นื่ย กินไม่กินหรือควายละน้ำอยู่ต่หน้ามันจะกินหรือไม่กินก็เรื่องควายสักพักหนึ่งสมเวลาเขาก็จูงควายกลับ <ừ> เห็นไหมคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะทุกคนไหนไม่ทุกจูงควายมาเหมือนกันน่แล้วควายองตัวนั้นมันไม่กินน้าเหมือนกันด้วยอ่ะสมมติมันไม่กินน้าเหมือนกันด้วยเห็นไหมไอ้คนแรกนี่ทุกพอตายแล้ว ไอคนนี้เกลียวเฉยเฉยผลเท่ากันคือควายไม่กินน้ําแต่คนหนึ่งทุกคนหนึ่งไม่ทุกนี่เห็นไหมคนที่ทําเฉพาะหน้าที่ตนเท่านั้นไม่ไปก้าวไก่แซกแซงหน้าที่ของสี่งอื่นบุคคลอื่นทําหน้าที่ตัวเองบริบูรณ์ดีแล้วคือแค่จูงความไปถึงบ่อน้ํำจบหน้าที่เราเก่วนหน้าที่ของควายมันจะกินไม่กินเป็นเรื่องของมัน ง่ายง่ายมต่อให้อยาดมันอยากให้มันกินแค่ไหนถ้ามันไม่กินมันก็ไม่กินเหมือนเดิมอะถ้ามันหิวมันกินเองจะบังคับไม่ให้มันกินจะดึงกระชุบกระช่ายไงมันก็วิ่งใส่น้ำเหมือนเดิมที่นี่นเห็นไหมคํว่าคำที่เรียกว่าหน้าที่อย่าทําเกินหน้าที่ตนที่มันทุกข์เพราะว่าเราทําเกินหน้าที่ตัวเอง เราไม่เข้าใจว่าเราไม่สามารถบังคับควบคุมสิ่งทั้งนอกได้ไม่มีทางเลยเราไม่สามารถบังคับได้เลยของข้างนอกถ้าเราไปพยายามควบคุมสิ่งทั้งนอกเมื่อไหร่นะความทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราเมานะื่อนั้นเหมือนสามีภรรยาเนี่ยพยายามควบคุมกันและกันเนี่ยทุกข์ไหมเพราะไม่เข้าใจกันและกัน ถ้าเข้าใจว่าสามีเขาเป็นอย่างนั้นล่ะภรรยาเขาเป็นอย่างนั้นะจบไหมไม่ต้องทะเลาะ ก, กันหรือจะให้ดีไม่อยากทะเลาะกันก็อย่างนี้จบแต่พามีก็อยากนี้เห็นไหมเห็นแม่ตันหาเราทำงานยังไง <c oughs> ไม่อยากไม่มีก็อยากมีเ <c oughs> พราะความอยากนั่นแหละ เป็นเหตุของทุกข์เข้าใจมั้ย ม, ม, มีคำถามไหมมีคำถามไหมคะคำถามนะคะคำถามถามว่าทันสมายิี่แล้วประหลาดเกิดจากกรรมเก่าไหมคะไม่หรอ เือดจากไม่มีสติคนที่วิปลาสคือคนที่เชื่อความคิดหลงความคิดหรือที่เรียกว่าหลงนิมิตคนประเภทนี้ยังไม่รู้จักนิมิตด้วยซ้าที่วิปลาสมันเป็นเพียงแค่ความคิดคูบ้าเขาถามหน่อย <c oughs> เวลาเรายังไม่หลับเนี่ยจะเรียกว่าฝันได้ไหมความคิดมันผุดขึ้นอยู่ในหัวเนี่ย เวลายังไม่หลับเรียกว่าอะไรเรียกว่าความคิดใช่ไหมแต่ไพรว่าเวลาเราหลับเรียกว่าอะไรภาพที่มันปรากฏขึ้นอยู่ข้างในนะ <Okay. S 1> เรียกว่าฝันนินิดนี่ก็เหมือนกันจะเรียกว่านิดนิดไม่ได้หากยังไม่ทิ้งลมหายใจจิตที่ยังไม่สามารถสลับ ขันคือลูกออกไปได้จต่ไม่ไม่มีทางเข้าถึงสภาวะนี้นิดเป็นอันขาดจะเป็นเพียงแค่สภาวะคิดแต่มันละเอียดเท่านั้นจะเป็นมโนภาพขึ้นมาด้วยความลเอียดเพราะจิตมันสงบมาในระดับหนึ่งนะมันจึงเกิดภาพขึ้นมาแ ล, แล้วเราก็เพลินกับภาพนั้นแล้วก็หลงว่ามันเป็นมิจมิดรองนะถ้าใครเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะสามารถหยุดมโนภาพนั้นได้ควบคุมมันได้ สั่งไปซ้ายไปสั่งไปขวาไปสั่งมันเต้นเต้นได้หมดสั่งได้หมดเลย <Hey. S 1> มันไม่ใช่นิมิตมันคือจินตนาการแต่เราไม่ได้เราไม่ใช่ผู้คิดมันคิดของมันเองมันเกิดขึ้นของมันเองเราไม่ได้มีเดียไปนาคิดเพราะอะไรเพราะสะติเราขาดเพราะไม่มีสติจึงเกิดภาพพวกนี้ขึ้นมาได้ แต่นิมิตกิตดปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายนี้แล้วะครับลมหายใจแล้วนะครับคือความรู้สึกทางกายไม่มีไม่มีเลยความรู้สึกทางกายนี้ไม่มีทีนี้จิตมันเข้าผิดช่องเขาจะพูดง่ายๆนะมันเข้าผิดช่องในภาษากุบาพูดเองนั่นี่มันจะเกิดภาพนิมิตขึ้นมา นิดๆพวกนี้ที่ตาปรากฏขึ้นเราจะไม่สามารถควบคุมประชาการได้ดูได้่างเดียวดูกับไม่ดูเท่านั้นเหมือนเราดูทีวีจะดูหรือจะปิดเท่านั้นเองถ้าไม่ดูปุ๊บเพราสะสติยังมีอยู่ยังไม่ขาดเห็นไหมแต่ภาพนั้นตากดขึ้นพอพอไม่ดูเพียงแค่กำหนดว่าไม่ดูแล้วกลับไปอยู่ที่ลมปุ๊บจิตมันจะถ อ, อ, ขอ น, นขึ้นมาความรู้สึกทางกายจะทราบใช่ไหมเหมือนเดิม เมือนเราตื่นจากฝันทีนี้ก็มันจะเรียนสติต่อเนี่ยนี่คือนิดนิดเรานี่เห็นมาคัากแล้วของพวกนี้เราก็ว่ามันมาบ่อยเกินไปแล้วนิดนิดนีดน่ยคนนั่งไปจะคักพอร่างกายเริ่มเคลิบข้นไปหน่อยนึงลมเริ่มเบาสักหน่อยนึงปรากฏท่าต่างๆขึ้นมาแล้วก็ว่ามันทําไมมันมาบ่อยจังเลย เราสามารถสั่งมันไปซ้ายสั่งมันไปขวาได้สั่งมันทําอะไรได้หมดเลยกําจัดได้แล้วภาพนั้นไม่ได้หายไปด้วยแล้วก็ว่าโอ้ี่มันหลอกเรามันเป็นเพียงแค่มโนภาพเท่านั้นเองแต่ถ้าสติมีกําลังเขาเรียกว่าสติที่มีกําลังมากขึ้นนีนิดต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นไม่มีเลยนี่พูดถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าเอาปัจจุบันนี่แหละอยพูดถึงอดีตเลยนีย่าไพูดถึงอดีตหรืออาจจะเกี่ยวกับกรรมเก่าก็ได้แต่ถึงรู้ว่ากรรมเก่าเราก็สงสัยอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่นี้นิ่ต่างๆมันก็ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี่แหละเอามันปัจจุบันเนี่ยสักสติมันขาดแค่ น, นั้นมันจึงเกิดภาพแล้วก็หลงเชื่อนิดนะั้นเพราะนี่มันปรากฏขึ้นแล้วมันเป็นความจริงอรือทีเนี้ แล้วมันตรงกับเหตุการณ์จริงแลปัจจุบันเขาเรียกว่าเหตุการณ์จริงกับโลกอย่างเช่นว่าเห็นเลขเห็นเบอร์นี่แล้วมันถูกเนี่ยยิ่งเพิ่มอัตตาตัวตนเสริมคิดถิมานะขึ้นเสริมความสําคัญว่าตัวเองนี่เลยตัวเองนี่วิเศษวิโสขึ้นเนี่ยเนี่ยมันหลงไหมเนี่ยที่เรียกว่าหลงยิ่งเป็นรู้ความคิดคนอื่นอยู่นะ ยิ่งไปรู้รู้ก็แสความที่คนอื่นยิ่งสําคัญกว่าตัวเองเลยเนี่ยหลงทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นไปเพื่อค้นทุกเลยแต่เป็นไปเพื่อเพิ่มทุกทั้งนั้นอย่าลืมนะว่าเราปฏิบัติทำเพื่อค้นออกจากความทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อเพิ่มความทุกข์ยิ่งเห็นยิ่งสงสัยไม่เคยหายสงสัยหรอพวกนี้ขนาดเทวดาเหาะม่จากไหนไม่รู้ ลงอยู่ตอนนั้นยังสงสัยเลยเนี่ยไม่เห็นหว่ามันหายสงสัยไปเล่าคนอื่นฟังเขาจะเชื่อเหรอที่จะเขาจะว่าบ้าเลยแล้วก็อยากให้คนอื่นเชื่อนี่มันก็บ้านะสิทั้งคนเล่าแล้วคนฟังก็บ้าหมดเลยทีนี้เห็นไหมเนี่ยเรื่องนี้นิดต้องให้ระวังจะขาดคูบาอาจารย์บ้าหมดห ล, ลงทิปล่าหมด ท่านถึงให้ต้องอาศัยผู้ที่เดินทางมาก่อนคอยกำลาบไว้คอยขนาบไว้ไม่งั้นมันมันตะเลิดมีคำท้าอีไหมฮึมเนื่อยเพราะอะไรครับสมัยเวลาพวกผู้เข้าวัดนะฮะเวลาไปกราบพมระอาจารย์จะได้รับ กระแสร่มเย็นพ่ออะไรเชื่อไหมว่าอาการต่างๆทุกเกือนกับเราล้วนเราเป็นผู้สร้างไม่ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เท่านั้นถ้าว่าครูบามีพลังจริงๆ เ, เดินขาผ่านใครมันก็ต้องมีพลังทั้งหมด เร่องกระแสไฟฟ้าน่ะเอาปจิ้มตรงไหนมันก็มีพลังงานไฟฟ้าถูกไมฮะเอาพัดล ม, มมาเสียบมันก็ติดเอาทีวีมาเสียบมันก็ต้องติดเอาเครื่องชาร์จมาเสียบมันก็ต้องติดนี่คือพลังงาน<ะ>แต่ความเปจริงแล้วเราคือผู้สร้างเชื่อไหมว่า บางทีเราเดินผ่านพระอรหันต์โดยที่เราไม่รู้สึกอะไรก็มีแต่บางคนองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์ด้วยซ้ำแต่เพราะเขาเรียกว่าอุปทานหมู่ที่มีคนพูดว่าองค์นี้คือพระอรหันต์แล้วบวกกับสิ่งไรสิ่งไรหลายอย่างที่ทำให้โน้มไปทางว่าเชื่อว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์แต่สมมติว่าองค์นี้ไม่ใช่พระอรหันต์นะความจริงองค์นี้ไม่ใช่พระอรหันต์ แต่พอเราได้เห็นปุ๊บนี่เป็นยังไงเพราะเราเชื่อแล้วว่าเขาเป็นพระอรหันต์คนนีออน้จะลุกชูไปหมดฮะใครผู้สร้างเรานี่ะเรานี่คือพระเจ้าเรานี่แหละคือผู้สร้างไม่ใช่ผู้อื่นเลยถ้าจะพูดให้มันถึงที่สุดนะอันนี้อันนี้พูดให้เห็นที่สุด จะพูดลงมา อ, อีกแบบหนึ่งอีกคนทางหนึ่งถ้าคนนี้พอมีเครื่องรับก็ใช่ไหมถ้าคนนี้ภาวนามาพอมีเครื่องรับต่อให้ไม่รู้จักกันเลยได้มาสนทนากันแค่นิดเดียวบางที่กระแสมันต้องกันเป็นพลังงานต้องกันรับรู้ได้นี่ก็อีกวิธีหนึ่งเหมือนกัน แต่อัตัวเนี้ยครูบาไม่อยากพูดชี้มันเห็จุดหลักของมันเลยแต่ให้จะเป็นตัวนี้สร้างหรือเป็นไนอ้ตัวที่พูดก่อนหน้านั้นมันก็เนื่อแต่เราเป็นผู้รับพลังงานคนเดียวเรารู้คนเดียวว่าเราเกิดความดิจิตคนเดียวใช่ไหมเรารูไ้ไหมว่าคนอื่นดิจิตด้วยฮะเรารู้แต่เราคนเดียวเนี่ยไอ้ขนลุกขนชูชันก็เราคนเดียวเนี่ย อย่าไปสงสัยเรื่องพวกนี้ให้โยงมาดูว่ามันได้ประโยชน์ไหมถ้าเกิดกระทั่งว่พวกนี้ขึ้นมาได้ประโยชน์ได้กำลังใจในการภาวนาเนี่ยดีนไหนี่คือผลที่มันได้โอ้เข้ามาแล้วรู้สึกเย็นวาบบา บ, บ, าบขนลุกขนทันรู้สึกปิติจนน้ำตาไหลได้ประโยชน์ ได้กำลังใจพูดง่ายอาศัยกำลังใจตรงนั้นภาวนาพัฒนาตัวเองขึ้ไปได้ตรงนี้มันจะเหมือนกับสมัยกูบาพาพระรูปหนึ่งไปภาวานาบนเขาไปเลยแล้วก็ปล่อยไปเลยกูบ้าอยู่หินรูปนี้นะเราบอกูบ้าอยู่หินนี้นะผมจะไปอยู่หินก้อนนู้นใจใจหน่อยเขบอกเอาสาว่างเลยนะกูบาวันนี้ พระบวชใหม่อ่ะพระลูกนั้นบวชใหม่ถ้าก็นั่งอยู่นี่ภาวนาอยู่ก็พักแล้วอยู่ในบนเขาอ่ะคิดดูว่าในป่ามันมีไม่มีใครเลยมันคนเดียวมันตายจริงๆนะพอได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาปุ๊บเสห็นแสงห้งห้อยเห็นมันยังกลัวเลยมากมากมาก ม, มันปุุงไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันกลัวอยจีนี่พอเกิดอาการกลัวขึ้นมาปุ๊บแล้วนึกถึงเรา ว่าเราทําอะไรอยู่อพอออกมาดูผู้เห็นว่าเรานั่งอยู่ตรงหินนั้นที่เดิมเกิดความกล้าขึ้นมาอุ้ยกูบาลเขายังนั่งอยู่เลยเห็นเราดิกูว่อะไรกูบาลนั่งอยู่ตรงนั้นกลับมาภาวานาพอเข้าไปตรงหินก็เกิดเห็นไหมเมื่อกี้มันกลัวแบบันนี้มันกล้าแล้วได้กําลังใจมาแล้วก็ไปนั่งอีกสักพักหนึ่งเหนื่อยค้างพ่วงนอนก็ อ, ออกมาดูเราอีกเห็นว่าเรานั่งอยู่ สี้าชั่วโมงแล้วเรายังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยทาได้ยังไงก็เปลิดกำลังใจก็ไมีก็นั่งเอ้าเราก็จะสว่างเหมือนกันเห็นไหมไอความจริงเน่ยเรานีไปนอนแล้วไอที่เห็นเนี่ยคือตอไม้เข้ <c oughs> าใจไหมมันคือตอไม้ตั้งอยู่นั่นแหละครูบาเี่นมีไปนอนแล้วมีไปนอนในท่าแล้วเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย ใครบูสบร้างพลังงานชนีดนั้นขนมาเอ่ความคิดนี่แหละสร้างขึ้นมาน่ะเข้าใจไหมจะกล้าหรือจะกลัวก็ความคิดนี่แหละจะสุขหรือจะทุกข์ก็ความคิดนี่แหละเห็นไหมว่ามันสร้างยังไงความคิดเนี่ยสร้างสร้างให้มันกล้าก็ได้สร้างให้มันกลัวก็ได้สร้างให้มันสุขก็ได้สร้างให้มันทุกข์ก็ได้อยู่ที่ความคิด เข้าใจไหมเนี่ยความคิดมีพลังงานมหาศาลมากเลยนะไม่ใช huh? ่ธรรมดานะเราคนเดียวนี่แหละจะกล้าจะกลัวกเรานี่แหละสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับคุบาเลยบางคนเห็นคุบานี่สั่นมือนี่สั่นนี่ดิดิดิบอกว่าเรามีพลังงานมากานั่งนี้ทำไมไม่สั่นล่ะเอาเห็นเหมือนกันเนี่ยฮะถูกไมอย่างนี้สั่นอยู่คนเดียวถูกไหม น yeah ี่ทำไมไม่สันเนี่ยทำไมไม่กันเข้าใจไหมดูให้มันดีเย็นอย่คนเดียวนี่คนอื่นไม่เย็นเลยเนี่ยเราก็นั่งอยู่เนี่ยถ้าว่าเป็นเพราะเราใครมันสร้างนี่ชัดไหมที่พูดอย่างเงี้ยถ้าเราจะพูดวยเราสักหน่อยเราก็ว่าีเป็นเพราะเรานี่แหละเข้าใจไหมไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เรานั่น เราเชื่อมันก็ดีเราไม่เชื่อมันก็ไม่ดีเหมือนคนเชื่อพรุทธเจ้าอยู่ดีหมดคนไม่เชื่อนอี่ไม่ดีเพราะไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าคนเชื่อพรุทธเจ้าจึงได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าพอไม่เชื่อท่า น, นว่าคนที่ไม่ศรัทธานั้นเสียประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงให้รักษาศรัทธาไว้ศรัทธาที่เป็นสิ่งสําคัญที่อันดับแรกที่ท่านบัญญัติไว้เลย อย่าทำลายศรัทธาของผู้ที่ยังไม่ศรัทธาอย่าทำลายศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาแล้วเห็นไหมเพราะหากขากไม่ศรัทธาแล้วใครมันจะเข้ามาศึกษาใครมันจะเข้ามาเรียนรู้ศรัท<ะ>ธานี่แหละจึงเป็นตัวสำคัญที่จะนําเข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปจะมาด้วยศรัทธาทว่ไหนก็ช่างะจะมาศรัทธาด้วยอภิญหารก็ช่าง จะศรัทธาด้วยปัญญาก็ช่างจะศรัทธาเพราะคนอื่นบอกก็ช่างจะศรัทธาเพราเขามาศึกษาเขามาปฏิบัติยังไงมันก็ไหลไปทางเดียวกันหมดแค่ลงมือปฏิบัติเท่านั้นแหละเนมันกันหมดไหลไปทางเดียวกันหมดนี่ถ้าไม่มีศรัทธานี่โอยเฉยเจอพลาดมันก็โดนเดินชนเลยสมัยนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยแค่ศรัทธานี่ก็ทาคนที่ศรัทธาพระนะ ต่อให้พระนั้นเป็นสมสมุติสงสมมุติสิสงหรือว่าอริยสงฆ์ก็ช่างแค่เห็นพระเนี่ยยกมือสา้าหุใจก็ชื่น้นมาหน่อยหนึ่งละถูกไหมฮะสร้างความสุขง่ายๆเนี่ยเียนแค่ตาเห็นอยู่ก็สามารถสร้างความสุขได้คนไหนละได้ประโยชน์พระเหรอได้ประโยชน์หรือว่าคนที่เห็นคนที่สาธุนั้นคนที่แสดงความยินดีนขึ้นมานะั่เนี่ยเห็นไหม สรุใครโง่ใครฉลาดกันแน่ฮะใครเป็นผู้โง่ใครมนผู้ฉลาดนี่แหละนี่แหละมันไม่ได้เกี่ยวกับขอข้างนอกเลยมันอยู่ที่เราคนเดียวจะทำยังไงล่ะเราถึงจะเห็นตัวเราชับที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเราถึงไม่เข้าใจทำที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไม้มเราถึงไม่เข้าใจไม่เห็นตัวเองชับ เพราะมันขาสมถะมันขาสติตัวสตินี่แหละคือตัวสมถะเหมือนน้ําที่มันไม่นิ่งน้ําที่มันกระเพื่อมอยู่อะเราําะงอกหน้างไปดูน้ําเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเห็นใบหน้าเราชัดแต่ถ้าน้ำนันมันนิ่งเงาในน้ำก็เหมือนเดินมนันกัเงาหน้าเรานั่นแหละ ถ้ามันนิ่งราบเรียบเป็นกระจกเมื่อไหร่ไม่ต้องด้นเดาเลยว่าหน้าเราเป็นยังไงหน้าตาอยู่ตรงนี้คิ้วเป็นอย่างนี้ปากเป็นอย่างนี้เห็นหมดไม่ต้องไปด้นเดาไม่ต้องไปคาดเดาไม่ต้องไปจินตนาการแต่ธนามันก็เพื่อมอยู่มันมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็ได้แต่ด้นเดาว่าโอ้ยหูอยู่ตรงไหนว่าอุ๊หูอาจจะเป็นอย่างนี้นะแหละนี่เขาเรียกว่าไม่แจ้งเพราะมันขาดความสงบ ใจที่มันไม่สงบมันจึงไม่รู้อะไรจึงไม่เห็นอะไรการทำใจให้สงบเนี่ยสําคัญมากเลยนะสําคัญที่สุดเลยยิ่งสงบมากเท่าไหร่ยิ่งแจ้งมากเท่านั้นยิ่งสงบมากยิ่งแจ้งมากเหมือนน้ำอ่ะยิ่งนิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งชัดมากเท่านั้นเหมือนกันไม่ต่างกันเลยการปฏิบัติธรรม สิ่งแรกที่ความปฏิบัติก็คือมุ่งไปทางความสงบสิ่งแรกโดยอาศัยลมหายใจนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละหากมันคิดมากๆ ม, มันหยุดความคิดไม่ได้มันคิดไปอดีตมันคิดไปอนาคตมันคิดเป็นภาษาสอนตัวเองให้เปลี่ยนใหม่มเอาความคิดที่ไม่เป็นโทษมากาจัดไว้ที่เรียกว่าคำบริกรร ม, มเอาคำบริกรรมนี่มันแนบ ก, กับลม จะเป็นพุดโธ ท, ทำโมสังโฆก็ได้จะเป็นหนึ่งเป็นสองก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้หมด <Yeah. S 1> เป็นไปได้หมดเขาเรียกว่าดังครับให้มันคิดอยู่ปัจจุบันอย่าให้มันคิดฟุ้งไปในอดีตและอย่าให้มันคิดฟุ้งไปในอนาคตความคิดที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเ ป, เป็นเหมือนเหยือ่อพูดง่ายคือคำบริกรรมเป็นเหมือนเหยือ่ลอล่อจิต ระดับหยุดความคิดปรงแต่งที่เป็นอดีตก่อนคือความคิดปรุงแต่งที่เป็นอนาคตก่อนให้มันคิดลงณนะปัจจุบันถ้ามันอยากคิดให้มากมเนี่ยให้มันคิดเพียงปัจจุบันเท่านั้นและเป็นความคิดที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเป็นความคิดที่เ้าเรียกว่าสติคําบริกรรมเนี่ยพูดโทพูดโทเนี่ยแนว ก, กับลมหายใจเนี่ยเห็นไหมไมันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เลยพูดโทร มันจะปรุงแต่งต่อก็ไม่ได้จะปรุงเป็นอะไรไปก็ไม่ได้พุทโธพุทธโธมันก็คือพุทโธเท่านั้นเองมันจึงไม่มีททษเห็นไหมพอสักพักหนึ่งพอจีตมันสงบลงไปสงบลงไปพุทโธเนี่ยมันจะทิ้งไปเองมันจะเหลือความรู้ที่อยู่กับลมเป็นธรรมชาติจะเหลือแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกความคิดที่เป็นอดีตก็มีความคิดที่เป็นอนาคตก็มีความคิดที่เป็นพุทโธก็ไม่มี หยุดหมดเขาเรียกว่าตัดสัญญาเหลือแต่ความรู้รอยู่กับลมเข้าลมออกและจะไม่มีคําว่าเข้าจะไม่มีคําว่าออกด้วยไม่ใช่ว่าเข้าออกอย่างนี้ก็ไม่มีมันก็ไม่ต่างจากพูดโธถ้ามีคําว่าเข้าออกเข้าออกหรือแม้แต่คําว่ารู้รู้รู้เข้ารู้ออกมันก็ไม่ต่างจากพุดโ u มันก็คือสัญญาเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าบอกว่ารู้เข้ารู้ออกเนี่ย <Yeah. S 1> เรียกว่าสัญญาเนี่ย <Yeah. S 1> เรียกว่าคําบริกรรมจนไม่มีภาษาปากกดขึ้นเ mm hmm. หลือแต่ความรู้สึกล้วนๆที่สัมผัสกับลมเข้าลมออกไม่มีภาษานะั้นเป็นความรู้สึกลมเข้าลึกขนาดไหนก็รู้สึกเท่านั้นลมออกยาวขนาดไหนก็รู้สึกเท่านั้น ลมสั้นก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมร้อนลมเย็นอกายซ้าอยู่ถึงไหนก็รู้ทีนี้ความรู้สึกมันจะแผ่ซ้ำออกมามันจะแผ่มันไม่แต่ไม่อยู่ที่ลมอย่างเดียวบางทีมันก็จะซ้ขึ้นมาที่หัวเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนซ้นขึ้นมาบางทีมันก็ซ้ำที่แขนที่ตัวที่อกเป็นความรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกสัมผัสเนี่ย มันจะซ่าลงมาบางทีเราคิดว่ามันร้ามางี่เราขาดสติแล้วเาราพยายามบังคับมันเข้ามาอยู่ที่เราเหมือนเดิมแต่ความรู้ที่มันปรากฏอยู่กับแขนกับขาเนี่ยไม่ได้ขาดมันยังมีความรู้อยู่ที่แค่มันสร้าลงมา <c oughs> สติไม่ได้ขาดเลยแต่มันเที่ยวอยู่เนี่ย ได้เหมือนกันเขาเรียกว่ากายเป็นที่เป็นเครื่องอาลึกของสติได้เหมือนกันเรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ได้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเข้าถึงสภาวะจิตนี่ต้องบังคับจิตให้อยู่ในสภาวะเดียวเท่านั้นคือลมก็ให้มันอยู่ที่เริอนเท่านั้นอย่าให้มันเคลื่อนไปที่อื่นเหมือนคนจะเข้าถึงการนอนอย่างเงี้ย ถ้าเหมือนถึงเอาการนอนนั น, นะเป็นการเข้าเข้าฌานถ้ามันเดินอยู่มันหลับไม่ได้เราจึงบังคับจิตให้มันจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าให้มันเคลื่อนที่พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าเธองจงจงทำจิตของเธอให้เป็นเหมือนนายทวารดึงฝ้าประตูเลยปึ๊เหมือนยามเนี่ยใครเข้าก็รู้ ใครออกก็รู้แต่ไม่ตามไปอย่าทิ้งประตูนั้นเป็นขาดเหมือนเอาความรู้มาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเนี่ยที่ปลายจมูกเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้มันเข้าไปขนาดไหนก็เพียงแค่รู้มันมันจะออกไปขนาดไหนก็เพียงแค่รู้มันแต่อย่าตามมันเข้าอย่าตามมันออกรู้อยู่ที่เดียวรู้เพียงแค่ว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกเนี่ยเนี่ยเนี่จิตมันจะเริ่มสงบของมันม่เคลื่อนมันจะงเรียกว่านิ่ง อันนี้พูดถึงจะนะเข้าถึงสภาวะฌานนะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือความสงบหรือเอกขตาจิตที่อยู่ในสมาธิในฌานในความสงบพอ <Yeah. S 1> รักษาลมอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันับ้าไปอยู่นี้ไปเรื่อย <Yeah. S 1> จนลมนั้นบางเข้าบางเข้าสามวิหายใจั้างหนึ่งสี่วิหายใจข้างหนึ่ง ทีนี้ลมมันจะแทบสัมผัสไม่ได้แทบไม่รู้เลยว่าลมเข้าหรือลมออกแต่มีความรู้ยอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้ว่าเอ๊ะหรอแต่มีความรู้อยู่ว่าลมนั้นหายไหมเราจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าลมหายไปไหนพอสงสัยขึ้นมาปุ๊บเราจึงพยายามตามหาลมจีก็ถอนออกมาอีกทีนี้แต่เราพราะพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่เคยเห็นเลยว่าไอ้ตัวนู้นแหละไอ้ตัวที่รู้ลมหายนั่นนะ เนี่ยมันจะถอนออกมนอีกทีนี้ถ้าใครรู้ว่าลมเรื่นี้มันหายไปก็ก็ปล่อยมันหายไปเลยจะหายก็ให้มันหายไปเราจะรู้ว่ามันหายอยู่นั่นล่ะรู้เฉยๆยนั่นแหละมันจะไปไหนต่อก็เราไม่สนใจเพียงแค่ว่ารู้ว่าลมมันหายแล้วมันจะมืดมันจะแจ้งแล้วก็ไม่สนใจแต่ความรู้นั้นเด่นอยู่ คือคุดง่ายคือร่างกายนี่แงับไปหมดเลยหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นเวทนาไม่ปรากฏในกายกายไม่มีนั่นพอลมหายทุกกายจะไม่มีแต่ที่มันเบย์ชาไปเนี่ยกายนั้นจะไม่มีเหมือนเรานอนหลับเวลาเรานอนหลับเราจะไม่มีความรู้สึกทางกายแม้แต่นิดเดียวเหมือนกันอันนี้ก า, กายก็จะไม่มีเลยไม่ปรากฏขึ้นแต่มีความรู้ดเด่นอยู่ยนะ้น บางทีความรู้นั้นก็จะปรากฏอยู่ในความสว่างสวัย mm. เหมือนเราอยู่ในห้องขาวเป็นห้องขาว้าว mm. เหมือนเราอยู่ในลูกแก้วขาวขาวเหมือนเราอยู่ในแสงของพระอาทิตย์ mm. เหมือนเราอยู่ในอากาศอยู่ในอวกาศมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะนะเขาเรียกว่าจิตเข้าผวังหร mm. ือเรียกว่าคือมัน มันเป็นเหมือนลักษณะจิตไม่มีอาการที่มันฟุ้งซ่างแต่ยังเหลือสิ่งที่มันรับรู้อยู่นี่เห็นไหมแต่มันไม่มีมมความคุ้งซ่างตอนนี้มันข่าวเลยนะลูกคืกายที่หายเห็นไหมทิ้งกับโลกไม่มีร่างกายไม่มีความรู้สึกเลยหายไปหมด วิทนาต่างๆของกายจึงไม่มีหายเหดือยกันเห็นไหมร่างกายหายาเวิทยาของก็หายไปด้วยเห็นไหมความคิดไม่ไมีจะคิดอะไรก็ไม่ได้ไสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาขาดถ้าสัญญาขาดสังขาดจริงจึงทํางานไม่ได้ความคิดปรุงแต่งต่างๆจึงปรากฏขึ้นไม่ได้เลยบงับงบังคับบัญชาไม่ได้การรับรู้ผัสซ้อนต่างคาบสะบั้นไม่หมด หลือรู้รเดียวเท่านั้นที่เรียกว่ารู้เฉยๆสงบระงับอยู่นั้นเนี่ยเนี่ยเรียกว่าจิตสงบในสมาธิอันนี้พูดในวงของสมาธินะหรือเรียกว่าจิตเข้าถึงสภาวะเอกคตาจิต ก, ก็ได้ไ ก็อยู่อย่างนี้นี่เลยแม้ระหว่างที่มันอยู่อย่างนี้จะไม่สามารถบังคับบัญชาได้เหมือนเราหลับเนี่ยเราจะไม่สามารถบังคับให้เราตื่นได้เพราะว่าอะไรเครื่องชาามันไม่มีกัญญาก็ไม่มีจ ะ, จะรเราปรุงต่อถ้า ต, ตอนนั้นสติอีคารไปแล้วไม่มีสติอีไม่มีเลยใ น, น, นี่นั้น จิตไม่สามารถควบคุมบัญชาการอะไรได้พอถึงสภาวะหนึ่งจิตมันอิ่มอารมณ์มันอยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แพอจิตมันอิ่มอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะถอนออกมาเองเหมือนเรานอนหลับเต็มอิ่มแล้วมันจะตื่นเองบังคับบัญชาไม่ได้เคยได้ยินหลายคนบอกว่าพอเข้าไปถึงตรงนี้ให้ถอนจิตออกมาเพื่อมาพิจารณามันจะถอนได้ยังไง มันถอนไม่ได้มันบังคับบัญชาไม่ได้ดนะ้วยเมื่อสัญญาไม่มีสังค้ารก็ไม่มีมันจะไปบังคับอะไรได้ไม่มีทางยกตัวอย่างว่าเราหลับเนี่ยเราบังคับตัวเองได้ไหมไม่มีทางบังคับบัญชาไม่ได้คนที่บอกให้ถอนจิดออกมาเพื่อพิจารณาก็จะบอกว่าคนประเภทนี้ไม่เคยเข้าฌานเลยไม่เคยเข้าสมาธิเลยที่ไลย มันจะถอนของมันเองเข้าใจใช่ไหมว่าพอแบบอิ่มอารมณ์แล้วจิตมันจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาอยู่ในขันห้านี้มีความรู้สึก ข, ของขันห้าเต็มเตี่ยมบริบูรณ์ทั้งหมดจิตจะสงบเป็นอย่างมากจะไม่อยากคิดปรุงแต่งมันจะไม่คิดอะไรเลยมันจะนิ่งสงบอยู่นั้นเบ้าสบายอยู่นั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ถึงะภาว่านี่นจิตจะเป็นผู้เฝ้าสังเกต อารมณ์เกิดขึ้นมันจะซ่องสังเกตเลยมันจะเห็นอารมณ์เกิดมันจะเห็นความคิดเกิดปุ๊บมันก็จะสังเกตว่าความคิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมั น, เ, น, นะนเป็นยังไงนี่เรียกว่าสมาธิเข้าใจนะมวย เ, วา ล, เลาหรอะกําลังขึ้นเลยมวยกํลาลังขึ้นชกมันๆเนี่แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวลงตาจะมาสนทนาด้วย ได้ยินด้วยเสียงเออวันนี้ก็พอแค่นี้ขอให้เจริญนในธรรมทุกท่าน